มันไม่เป็นพวกการอยู่การไปมันเป็นพวกความคิดของเรานี้เองดั ง, งนั้นจึงดําเนินงานไปช่วยกันประกอบไปทำให้เป็นอนุสรณ์ในเมืองไทยเราเนี้ยอือเช่นวัดวัดวัดปานานาชา่าอือบุญไว้ให้มันเป็นวัดบุญบายนะ แต่ผมถามพระรังว่ามาจะไหนมาจะวัดบุ่นวายมันวัดบุ่งวายใหญ่มดบุ่นวายใครมาที่นี่ก็มาช่วยสร้างอนุสรณ์ที่นี่ไว้ที่นี่แล้วก็ผมเห็นว่าญาติโยมทางหลายนั่นก็ให้ อ, อีวานดาบินบาดเทนาสนะเ ท, ทสัตนินีพอสมควรถึงแม้ว่า เขาิดอยู่ในป่าในโดมก็จริงจะเป็นคนมานอกก็จริงเขาก็ทำตามกำลังศรัทธาของเขาอย่าไปถืออย่างนี้นะแม่โยมเนี่ยเทศในฟังก็คกลําคาญทำไมอืมวันนี้เป็นวันพระมาสมทานถิ่แล้วพรุ่งนี้ก็ไปพอดแหยให้เราเห็นอยู่นะ ยังไปกินสุราให้เราเห็นอยู่อีกกินระวันพระหน้าผมมาสัมประธานอีกมาฟังธรรมอีกนอกเส้นเราไปแล้วก็ไปทอดแผลอยู่ฆ่าสัตว์อีกไปกินเหล้าอยู่อีกอย่างนี้คิดเช่นนี้เห็นอี่ก็ไม่สบายใจนี่เราทำอะไรอะไรเลยไม่เกิดประโยชน์เลยนะวันนี้สัมประธานสินเดีวพรุ่งนี้ก็ไปทอดแผลอย่างนี้บางทีพระ มีปัญญาน้อยก็น้อยใจว่าเราทํางานไม่ได้ผลว่าเราทํางานไม่ได้ผลไม่ใช่เราทํางานไม่ได้ผลเขาเนี่ยไม่ได้ผลเออเราทํางานได้ผลอยู่ที่นี่เมื่อมันเกิดทุกข์อย่างนี้มาทำาํำในเราปรปินานในตัวของเราว่าเ อ, อเราแต่ความมุ่งหมายของเราให้ไปเกิดประโยชน์แล้ว แต่คนนี้อินซีเขายังอ่อนอินซีเขายังไม่กล้าเออนะมันก็เป็นอย่างงั้นก่อนไอ้เขาทําไปนั่นก่อแล้วไปแนะนําำด้วยไปอย่างนั้นอินซียังไม่กล้าะถ้าเราจะทิ้งเขาพวกนี้ไปแล้วนะมันก็ยิ่งร้ายไปตัวนี้อีกอันนี้วันคืนก็ยังมาเตือนมันยังรู้จัก อายุมันครอบมาไปค่อยๆละอายไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ก็ยังเขายังมีศรัทธาให้ทานให้ทานช่วยพวกเราในในปัจจัยสังขีนี้เรื่องการให้ทานนี้กับผมพรพิจนาแล้วคนาเรียกว่ามันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องให้อาหารการปกปันเรื่องให้เนสนาสนะเรื่องให้ยาบำบัโดโรค เราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะนะเขาคงเผลอไปไปพอดีพานาะเนี่ยถ้าไม่มีอาหารการขานมีไปไมีไว้แล้วนั่งสมาธิไม่ได้ตั้งในวันบุญวายนี่ไม่ติดแล้วแล้วก็คิดว่าไอ้คนนั่นทั้งหลายแล้วนั่นกินขี้เขายังอ่อนอยู่อินขี้เขายังไม่กล้าว่าเขาอยู่อย่างนั้นทีนี้เราจะทําเป็นคนยังไงเราทำเป็นคนขายยา นะทําเสมอเป็นคนขายยาด้วยไปเหมือนกะใจเขาขายยาอตอนเช้ามาก็ตรวจดูรถจูราแล้วกนะ็เอารังยาขึ้นืปแล้กวก็โฆษณาไปเถอะยาปวดหายยาคันใจยาอะไรเราคงว่าเราไปเรื่อย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 อย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปว่า้เขาเล ย, อ ย, ไ, ไ, เเลยไอคนที่เขายังทําไม่ได้อย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปว่า้เขาเล ย, ยไไเขาแต่แนะนํำคาสอนเรืยไปเขาจะเอาเมื่อไรมืออิขิตเขากล้าม า, าก็จะเอาเหมือนกับขายยาเราก็โฆษนาขายยาดรืย่ยเรื่อยไปถ้ามันปวดท้องปวดที่กะมันก็มาเอายาเรานะ ไอ้คนที่มาไม่เอายาเรานะเขาก็ไม่ปวดท้องไม่ปวดที่ศักดิ์ประจงเา้าแล้วก็ทําอย่างนี้เรือ่อยไปท่านนั่นเองแล้วก็ปัญหามันก็หมดไปแต่ครั้งตกพระเจ้าก็มีอย่างนี้แต่เราต้องการในถูกจุดนั่ น, นมันก็ไม่ถูกมันนี่เรืออินทรียังรอนอินทรียังไม่กล้าบารมียังไม่เต็มเขาก็ะไ ป, ไปเหมือนกันกันกบผลไมา้ ที่มันยังอ่อนอยู่นั่นจะไปบังคับใป็นมันหวานแล้วก็ไม่ได้เพราะมันยังอ่อนอยู่มันดิบอยู่มันยังเปรี้ยวอยู่มันยังกราดอยู่เพราะมันยังไม่โตมันยังไม่แก่เลยจะไปงคับใป็นมันโตไม่ได้จะบังคับเป็นมันหวานนิวนั้นไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปให้มันเปลี่ยนการเปลี่ยนเวลามาให้อินซีมันกล้าอืให้มัน เติบโตขึ้นมามันจะเปรี้ยวเองมันมันจะหวานเองมันมันจะสุกเองมันถ้าเราคิดอย่างนี้ใจเราสบายแต่เราคิดว่ามะม่วงใบนี้ทําไมมันไม่หวานทําไมมันเปรี้ยวอ๋อเพรามันไม่สุกจะทำไงงงมันเปรี้ยวก็ผลไม้ไม่เปิดตรงเป็นอย่างนั้นมนุษย์ดาวทั้งหลายในโลกนี่ก็อย่างนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราว่าดอกบัวมันสีเราดูดอกบัวสีเรา มันจมอยู่ในโคลนอ่ะค้นรงมาแล้วอยู่กลางน้ำเดือดเสมอน้ำแต่กระพนน้ามาแล้วอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นหีบให้ ส, สูตรกัดเพราะท่านรู้จักคินคีแก่ข้าของสัดทั้งหลายนั้นอยู่พวกเราทั้งหลายนี่ควนกันกันนั้น อันนี้เป็นเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องคับใจเราเป็นคนนาที่ขายยาแล้วอกโฆษณาขายไปแล้วก็แล้วกันไปอืไอคนจะมันเป็นโรคสักวันหนึ่งมันต้องมาซื้อยาเราอันนี้ก็เหมือนกันโมอินฟี์มันแก่ก้าอีกเมื่อหนึ่งวันหนึ่งมันจะเกิดมีทัศนทาขึ้นนี่ก็มีอันนี้บังคับมันไม่ได้ถ้าเราคิดเช่นี้เราจะสบายใจอยู่ตรงนี้ก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์ มันมีประโยชน์เมื่อการสังส่งการใช้หน้นโปกาน์ขังหมายจงบรพฤติปฏิบัติกลุ่มเกี่ยวกาันเมื่อมันเกิดทุกมาเกิดความไม่สบายมาเกิอดอะไรอะไรมาทุกอย่างใครจะเลือกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ส, สอนอย่างไรเดชะทำท่านปฏิภาปฏิปบัติอะไรอย่างไรแล้วพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไร ข้อปฏิบัติของพาสง์นั้นคืออะไรมีพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านรู้อะไรอืท่านบัญญัติธรร ม, มะนั้นบัญญัติอะไรแลกาปฏิบัติอย่างไรถึงประสงค์ให้ในรึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเราทุกเวลานั้นแล้วประโยชน์เกิดขึ้นมามประโยชน์เกิดขึ้นมาแต่นั้นทุกทุกขั้นทั้งหลายนั้นก็ถึงแม้อยู่เมืองนอก ก็มันอยู่เมืองเดียวกันต้องมีความสาเมคชีสาคัญคงเดียวกันอแบบนี้สุเมโทรทั้งไปแล้วนะ่ะยังเหลือแค่พวกเรานี้ที่ไหนที่ไหนเขา้ามาเข้าไปวัดน้องบโพงษ์ก็ขี้ให้มาดูที่นี้มาปฏิบัติที่นี้มาดูที่นี้ในประเป็นนุสานแล้ะรู้สึกว่าประชาชนคนต่างเมืองต่างหลายก็ เรื่องสายยินดีเคื่องสายให้อย่าลืมตัวนะให้โปรตั์ใจสัตว์เราตั้งตัวให้มันดีทำให้มันดีมันก็มีผลเกิดขึ้นมาวีเไป็นไงละวีเขาวีเป็นไงใจสบายไม่ได้ห้าสิบเปอร์เ็นไหม ใจสงบไหม้ 50% บนไหมไม่ใช่ใครเี The ่ะฮะวีอ่ The ้ิบเจริเจรเนี่ยห้าสิบเอร์เซ็นมนี่ยนทุกคนมีอะไรไหมใครสงสัยอะไรไหม เวลาจิตใจ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ใมันมันลืมมันไมัไสวางเใจไม่ไหวรู้ข้อแนะนาใช่แต่อู่ไปไปดมันันจนจนจนสว่างหรือไม่ต้องทำอะไรสันเกตอาจารย์น้ำน้ำน้ำือ มันไม่คิดอะไรยังไงเดยออ่าจิตมันมืดเดอมันไม่สว่างเลยไม่มันไม่สว่างด้วยปัญญาเลยหรือหากวาเวลาเรานั่งหรือเวลาเรานั่ง โดยเรานั้นสมาธิม huh. ันม okay, sort of ันใครๆโอมันมันนิวอนขนาดเออเอาว่าไปบิ้งมันจะยังไงนั่งสมาธิมันยังไงครับผมนมันนานนี่ข้าพิ่นงุกงอปล้ายแต่หับกับหลับ ไม่ใช่มันง่วงเลยมันเมื่อยู้เกินสมองมันทึบเนี่ยตมช่ง่วงแต่แคมันง่วงเหรอหอแ่แค่มันง่วงเหรอง่วงฮ มันทื่อเรย อ, อยากจะให้มันมีปัญญาเนี่ะเรียนนิยบุตรเดินจะกลมให้มากเดินจะกลมมากไหม้มาคตะไวันนึงสี่เที่ยว<า>เดินจะกลมให้มันมากนี่อันหนึง่งนะ เดินยังกวไม่มากกว่าอิยาบทเดินนี่มันมากกว่าเดินมันจนเหนื่อยเดินในสามสัปดาห์เหมือนเดินกลางวันด้วยกลางคืนเดินกลางวันด้วยกลางคืนเดินเ กัา ง, างวั น, วนสองชั่วโมงแล้วมันคิดไหมเมื่อเราเดินันตรมคนะิดหลายไหม <c oughs> โดยมากมันคิดไปในทานองไหนมันคิดอะไรมากเมืม่อเมื่อจิดเรามันมันเมื่อนั้นครับ ทำอย่างไรเพื่อแก้ไขนั่นผึ่นสองใจปล่อยมันกําหนดรู้เฉยๆหรือ ห, อหาวิธีใดวิธีหนึ่งหรืออุบายใดอุบายหนึ่งแก้ไขได้หรือทําอย่างไรมันไม่คิดนะมันไม่คิดเด้อมันคิดคิดอยู่กับ่ อิริยาบถมันไม่สม่ำเสมอกระมั้งการเดินนี่มันมีความคิดมากมันมีความคิดมากความให้พิจารณามากแล้วจิตมันก็ออกอืมันไม่ติดอยู่ที่นั่นก็ก็ช่างมันเราเราเราเพิ่มการเดินในีมันมากเลยตรงนี้มันติดอยู่ตรงนี้กัติดไปนี่ก่อนนะมันอยู่ในนี้ก็พิจารณายุดจุดนี้แล้วมันไม่ไปก็หยุดจุดนี้ก่อน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 ต้องมีส่วนช่วยด้วยก็ห r o อต้องมีการฟังก์ r o น Is it an all like this it's all the time? And we have trouble doing this today. No, no. And and is it all all the time? We have trouble doing this today. No, no. เรานะเมื่อจิตเป็นเค่นนั้นเราก็นึกว่าจิตเรามืดไม่เกิดปัญญาลแล้วก็เคยเป็นทุกข์จิตก็เกิดทุกข์ขึ้นอาการจิตอย่างนี้นะอาการจิตที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้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 ที่เราอุปทานมันคือเราก็ไปสงสัยในสิ่งทั้งหลายเรานั่นมันถึงมืดที่นี่เจ้เจริญผ่านไปเนี่ยคือการทำเพียร น, นี้ไม่ต้องสงสัยอะไรมันที่มันเกิดขึ้น ม, มาแค่คำโนดตู้เท่านั้นก็พอแล้วเข้าใจไหมมาให้ฟังสิ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 มันชอบง่วงไหมนั่งพี่ชอบง่วงไหมชอบง่วงไหมทีง่วงกับไม่ง่วงอะไรมากเท่กันโอ้ทีง่วงมานระจําไม่ได้เนาะถ้านั่งมันง่วงอย่าหลับตาให้ดืมตาเพ่งดูจุดใดจุดหนึ่งอย่างนั้นก็ได้อามือไหว ดูจากวันเตามดูจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนี่ยที่มันยังแสงไฟมันมากระทบ เืออะไมันใส่มองมองกันดูยิ่งไปดับตามันอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งทำจัดนิวรนความง่วงความมือดออกจากจิตใจของเราก็ได้ถ้าวันนี้พอคนเราดับตาดูที่มันไม่ว่วงดีใสอยู่ข้างในเราก็ดับไปได้ ถ้ามันจะง่วงแล้วเป็นต้นเราก็ดื่มตาเพืนดูจุดได้จุดหนึ่งนี้คล้ายคลายกับสินเขาเนี่ยนะอย่างนี้แก้ตรงนี้ไอ้จิตมันสงบไอ้จิตมันรู้ให้ที่เรามันนอนมันง่วงมันไม่ใช่จิตสงบหรอกมันนี่วาครอบงํามันมืดทีนี้อการนอนของเรานั้นอะ เราก็แก้ไขมันจะไม่ให้มันนอนเลยมันก็ไม่ได้นะธรรมชาติของร่างกายเรามันมีอยู่ถ้าเราทำให้มันง่วงนอนที่สุดแล้วก็ให้มันนอนจ้ะการให้มันนอนมันกระงับนิวรอย่างหนึ่งเหมือนการทำมันเต็มที่มันแล้วนี่แล้วก็เมื่อเรานั่งใหญ่มันง่วงทางง่วงดืมตาขึ้นดูวนี้ถ้ามันใสกับไปทางในได้ก็ดับ ตาก็ได้ดับตาแล้วมันก็ยังไสอยู่นี้นี่เรียกว่ามันไมมืดแล้วพอสมควรสมควรสมควรตามกําลังเวลาแ ล, ล้วก็ให้มันบางทีคนเราก็นอนอยู่เรื่อยไปไม่ให้มันนอนมิเตมิเตอดนอนมิเตปันความนอนไ ม, ไม่ใหม่มันนอนนอนนัง่งง่วงไม่เป็นได้ดูเรื่องเหมือนกันเนี่ยี่กาจัดมีวอนหอก t a กิน n ล about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 Get through the hindrance of uh, dullness and sloth and talk or sleepiness, whatever it might be, and to clear your mind out, and uh, to be able to see clearly what's going on within you. And... Mong phai to mo di di mo. Huh? Mong phai to mo di di mo. Di lae te wa, lae te kon, lae te kon p o r jai nei thi nai m a n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 หลักที่เราให้ภาวนากำหนดจิตนี่อย่างอาณาปานสติเป็นรากฐานเรานะอาชีแรกจริงๆนั่นนะเราก็ควรกำหนดว่าบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้ไว้ในใจของเราเร า, เราจะเอาอาณาปานสติเป็นรากฐานเราก็รู้ไว้ในใจของเรา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 ทานนี้เรีว่ากลางลมอยู่ที่นี้สะดือนี้ก็เรียกว่าเราปลายลมอยู่ที่นี้เมื่อลมมันจะออกมาเราก็ตั้งใจว่าต้นลมอยู่ที่ตรงนี้กลางลมอยู่ที่ตรงนี้ปลายลมอยู่ที่ตรงนี้เท่านี้ที่นี้เรากำนัดเฉยจะผ่านเข้าไปผ่านเข้าผ่านเข้าออกเข้านี่ ทีนี้อันนี้เป็นเหตุให้ผูกจิตของเราหลายหลายอย่างน่สองสามนสองสามลมเข้าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมมีปลายลมลมออกต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมมีปลายลมนี้พอเรานั่งเข้าไปแล้วกำหนดเราดูจากต้นลมกลางลมปลายลมเสมอทีนี้จิตของเรามนจะเป็นอย่างนี้ ก่อนเราจะนั่งจะหายใจนี้ก็เรียกว่าเราให้จังหวะจิตของเราให้สบายซะก่อนคล้ายๆก็เราเหยียบจับเราเหยียบจับเราฝึกเหยียบจับเรานั่งผีบจับเบาๆเฉยๆซะก่อนอันนี้กระบวนกันเราจะนั่งสมาธิเราหายใจเฉยๆซะก่อนไม่กำหนดที่ไหนมาแล้กำหนวดว่าเราหายใจตอนนั้น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 บางทีมันจะมีอารมณ์ผ่านเข้ามาหรือไม่ผ่านมันจะวิตกคำว่าวิตกมันจะยกเรื่อง อ, อะไรหนึ่งเกิดขึ้นมามันวิตกยกเรื่องนั่นขึ้นมาอย่างเรื่องส <ries> <mas> ังขารอย่างเรื่องโลกหรือเรื่องอะไรก็ตามยกเรื่องสังขารขึ้นมาักธรรมะมันยกขึ้นมามันเรียกว่าวิตกเม่อยกขึ้นมาแล้วมันต่ใหอความรู้สึก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 อันนี้ไม่ง่วงนะเ๋ยวตัวนี้ไม่ง่วงครามันเป็นอย่างนี้ไม่ง่วงเมื่อมันคลุกคีไปต้อนรอมต่างๆนี้เดียว่าวิจาร์เมื่อไปถึงวิจาร์พอสมควรแล้วเรายกขึ้นมาอีกทีนึ่งตั้งคือมันดืมต้นดมแล้วเามาจับในตรงนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้เรื่อยไปมันก็วีตกมันก็วีจาร์มันก็วีตกมันก็วีจาร์วีตกมันก็วีจาร์ ถ้าหากว่าเราพิจารณาแง่สังขารเป็นต้นจิตมันก็สงบเข้าไปมีวีตุกวิจารณ์มันเตรียมก็เกิดสติเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีวีตุกมันมีวิจารณ์มันสติเกิดซึ้นคอความดีใจเกิดขึ้นมาในเวลานี้ความว่วงเหงาห้านอนนี่มันจะไม่มีละมันจะไม่มืดอ่ะถ้าเราทําอย่างนี้มันจะไม่มืดออมันมีความพึ่นใจขึ้นมาความดีใจขึ้นมาแล้วนะ เรียมขมูดไปมันจางสีจางไปยกวิตกขึ้นมาอีกเอามาไวตรงนี้อีกแน่นอนไปอีกจะไม่มีอะไรอีกพักหนึ่งมันจะเป็นวิจารนะคือมันมีอารมณ์มาแต่กับครุกขีวิตภาควิจาร์อารมณ์เรื่อยไปเมื่อไปถึงธรรมฐานที่เราต้องการผูกกระดิ่งของเราเมื่ อ, อไรอารมณ์นั้นนะมันจะเกิด ปีติคือขพในพองสยองก้าวเกิดอิ่มในใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นโด้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ความว่วงเหงาห่างนอนนั้นไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ทุกข์ใจของมันตรงเนี้ยทีนี้เมื่อจิตมันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นมีตกมันก็เป็นวิจารณ์มันก็เป็นมีตกมันก็เป็นวิจานมันก็เป็นมีตกเป็นมิจานหรือปีติแต่ก็มีความสุขนี่นี่อันนี้การเรานั่ง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 ที่มันโปรงที่มันมืดนี่เป็นส่วนไม่ต้องํำความเสียใจดีใจของมันว่าอา ก, อ า, การจิตมันเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยก็ทำาม่ทำเดิ น, นโยกมห้มันมากกว่านั่งเจนยาบทนี้อมันเหนื่อยที่สุดแล้วนกะ็เมื่อเหนื่อยปุ๊บขึ้นมากนั่งเนี่ยเข้า ใ, ใจไมเจริ้รรนะทำเนึ่งนั้น นั่งก็ตั้งใจให้มันนั่งแต่จะไปทำเล่นอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันมง่วงนอนดด่มตาขึ้นตมองดูน่ะเพ่งเราเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้แล้วจะยุยงนี้ก็ได้มันมียุงหลายมันอยู่ยงี้ก็ได้มองนานๆให้จิตมันนิ่งมันหลบสงบจากอารมณ์นั้นได้กำไรแต่ก็นั่ง ถ้านั่งไปข้างในมันแก่ใสไม่ง่วงนอ น, น ก, ก็นั่งหับตาไปเลยถ้ามันจะง่วงก็ดึมตาขึ้นมาอีกดูอันนี้อีกเพ่งลงไปอย่างนี้นะฮะอย่าไป ท, ทําตลอดวันตลอดคืนนะถึงมันง่วงพอสมควรก็รให้มันใจไหมละ่มพะพอสมควรแล้วก็ให้มันเหมือนเราละ่ะอืฉันข้าววันหนึ่ะเวลาหนึ่งถึงเวลาแล้วก็ให้มันช แม่มันชั้นสีวันห้าวันมันก็ไม่ได้มืนกันมันทุกข์นะไม่ถูกจิตนี่ก็เหมือนกันการนอนนี่ก็เหมือนกันพอต้งพอนล้วก็ให้มันเนี่ยก็รึนอนลุกขึ้นมาไปให้ง่วงแม่มันง่วงนอนลุกก็มันก็ทํางานทําความเพียรเดินจึงพุมให้มากๆถ้าว่าเดินช้าๆมันช้าเกินไปเนี่ะมันทึบนะเดินเร็ว นะเดินเร็วๆเดิเดเดเดเดนเะลือกยๆโดยมากจิตมันอยากจะคิดไปในทางไหนก็ไม่รู้มันจะคือคว่ามันทึบครับมันเทิบเลย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 มียกว่วีตกที่นี่มันก็เอาเรื่องคิดของว่าปัสสะนั่นวิจารณเรื่องว่าปัสสานั่นไปเรียกว่าวิจารณเ อ, อวีตกยกขึ้นมานี่อยู่นี้วีตกยกขึ้นมาแล้วก็วิจารณก็พิจญณ า, น, า น, นี้พวกทีกันไปกถวารมานั้น อย่างมันยกความตายเกิดขึ้นมาพลุกความตายเดียวว่ายกขึ้นมาแล้ววิจารณความตายจริงไงอะไรเป็นในตัวเรากุดตายคนอื่นสุตายยังไงกันใดตายแล้วมันไปที่ไหนอะไรเลิกเลิกยกไหม่่อามันจะไปมันเลิกไหมจะอารมณ์หายใจต่อไหมต่อไหมบางทีก็บางทีมันก็ไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ไม่กลับมาไม่เอาเนี่ยกมันลงมาตัวนี้เกิดไปเรือยจนจิตใจมันแจ่มใสนี่ ปีจาร์ถ้ามันปีจาร์ไปถึงมามันมันมันมั น, ม, นมันไปถึงอะไรอันหนึ่งที่เรามันถูกจดดีของเรามันจะเกิดหัวลุกขึ้นมาก็ได้เกิดน้าตาไหลก็ได้เกิดความดีใจขึ้นมาก็ได้ได้หลายอย่างอันนี้ปีติมันจะเกิดต่อไป <Right. S 2> Like you know, we hope, can just be any kind of thinking, mm -hmm. but here in the meditation, you know, your mind is calm, and then you pick up some object, or maybe something comes up by itself, and then you will. Uh, you when your mind is concentrated, then you can uh, work with the thoughts, mm -hmm. and then when it w h you know when it gets all the way there, then the, the rapture arises, and then there's, you know, there's no s l e e p i n s or anything like that. He um, said, "You know, you, you start with it, and then you you get wrapped up in the thinking, and you, you lose the track. But then it's like bring it back again. Either bring it back to the the breath, or bring it back to the object you're thinking, and not like guess t h s or something like that. There's there subtle difference between so it and the time when you're thinking about it, and o t to specifically in a clear mind on this kind of thinking." I wanted to ask him about that. I mean, how do you know f r o three? Well, he is taking the t h samadhi as o i s basis for doing mm -hmm. it. Okay. Then, คุยโุานีที่ลุงวเป็นอกุศลกับความรู้สึกและอารมณ์นั้นก็มาุกีพิจารณาอย่างนั้นคือเกิดจาก ความสงบครับเลยเคยจะความสงบแล้วเคยจิตลววามวา ม, มันสงบหมดหมใช่พายาว่ามันมมันมันนอกควมปรุงแต่งนึกคิดมันมันขึ้นมาเองเยไว้ใช่น่ะตการนั่งไปยึดตกเนาะยึดตกถึงอย่างเช่นว่ายึดตกถึงผู้ยิราเราตายนะแค่นี้คือมันตกเลยมันตาย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 สบายใจดีใจเกิดปีติต่อไปนี่มันก็เลยเป็นปิติบางทีน้ำตามันไหลบางทีมันขน ล, ลุกบางทีมันนี่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมันเกิดจากวิตกวิจารณ์นี่เองอการจิตที่มันสงบแล้วที่เขาจะเป็นปัตตสมะฌานตุติยฌ า, านตติยฌ า, านเขาไม่ว่ามันไปแล้วเขาว่าถึงพวามสงบ วิตกวิจารปีตีสุขทีนี้มันก็ทิ้งไปวีตกวิจารวีตกวิจารถ้ามันจิตสงบปไปแล้วมันก็นวิตกวิจารเนี่ยมัทิ้งมันทิ้งมันเนื้อจะปีตีกระสุกทำไมมันมันทิ้งมันไปไหนคือคือจิตมันหยาบ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 ที่นี่มื่อมันถึงที่สุดมันก็ไม่มีอะไรนีปีติสุขเอกันมีอุเบกขามีใจมันวาง ป, ปัญญาสมาธิอืเท่านั้นอืมเราอเราไม่ต้องพึ่งอะไรมันนา ท, ที่ที่ที่หากว่ามันเต็มๆเช่น น, น, นั้นมันจะเป็นต่อๆกันมันเรื่อยๆไปมันเป็นขานาอยู่ปี่ตกวิจารณ์ปีติสุขอืเอกกตา มันต่อไปมันทิ้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นมาเด้วมันทิ้งไปเดือดแต่ปีติกระทุกเอกาตาลงต่อไปมันก็ทิ้งมันก็ทิ้งปีติมันเดือดแต่ถูกกับเอกาตาต่อไปเอกาตาก็อุเบขาเนี่ยมันไม่มีอะไรมันทิ้งไปเรียกว่าจิตเรามันสงบสงบสงบจไปถึงที่มันอารมณ์มันน้อยที่สุดมันยังเหลือเยชนโน้นแต่ปลายมันเดือดแต่ เจ้ากระจาก็อบิคขาเฉยอย่างนี้อันนี้มันเกิดมามันมันมันมันมันสงบแล้วมันถึงเป็นสงบแล้วถึงเป็นอนี่เรียกว่ากำลังของจิตอาการของจิตที่มันได้รับความสงบแล้วถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่นอนความงงเขาเอานอนเข้าไปใกล้ไม่ได้หาย ไม่มีความงงงงนอนปีติเอเอไอนิบอลทั้งห้านี่ น, น, น, น, น, น, นีหมดนีอ่าไอความสงสัยดังเดวิจิจิตขาอิจฉาพยาบาทพุ่งส่านลำกานนีอันนี้ไม่มีอ่ะไม่มีมีมีมีหถึงมีอยู่มังก็ไม่เกิดเึินในเวลานั้นเรียกว่ามันไม่มีเรื่องสิ่งคอนสโงปานี้ครับสิ่งแวดล้อม และอก็อาบางกีตาเราเนะ่ะรับตาหรือรุมใตอย่างนี้มันสําคัญอยู่หัวครับหรือหรืออย่างไงหถึงึงแวรอมคือเรานั้นาที่ไหนก็เป็นไปได้ค่ะติิดแล้วเอะเราจะริมตารับตาไปยังห ไ, ได้ไ ด, ไ ด, ได้แต่ว่าในขณะหนึ่งมันก็สําคัญจําเป็นในขณะที่เราจุดใหม่แล้วก็จําเป็น แต่ว่าอ really ัน <demais> น <noise> ี uh, really igner, Bref, ้มันเป็นอยู่เรื่อยของมันนะด้วยถึงไม่ดับตาดืนตาอันนี้มันก็เป็นก็มันอย่นี้แต่ถ้ามาเห็นมันจะดีขวับางบางแรกมันเมื่อเราไม่เห็นเนี่ยพอสร้างกำลังทางจิตซะก่อนให้มันมีกําลังเนี่ยมันมีกําลังจริงดืนตาออกมาดูมันอย่างนี้ทีนี้มันมีกําลังเลยเป็นต้นดับตาดืนตามันก็เไม่มีอะไรไม่ได้รับพัฒสาดุพุทธพุทธพุทแล้วแต่ แล้วถ้ามันมีกําลังแล้วอแต่ว่าเมื่อเขาพักผ่อนเขาก็ต้องดับตานะแต่เราพักผ่อนก็ดีกระชัา ง, งมาเถอะอันนี้มันเป็นที่อยู่ของพระอผู้ปฏิบัติในนั่งหลับตาอย่างนี้มะครับโอ้แสนดีมันเลยอย่างนี้อันนี้หลักอันนี้มันเป็นหลักใหญ่ของมันใจว่าเมื่อเวลาที่เรา มีเหตุที่จะนั่งรับตาไม่ได้นั้นก็จะสู้กันได้ไหมนี่มันมีกำลังแล้วมันได้เทวาเมื่อขั้นหนึ่งก็เรียกว่านั่งรับตาแล้วก็ ม, มีกำไรขึ้นมาอีกขีดขนาดหนึ่งถ้าเราดึงตาไปจะชู้ไว้มาเหมันมาหมันมา เ, เหมันดันกลมาชู้ไว้ไ่ ไม่ขาดทุนเราสู้ไว้สู้ไว้เฉยๆพระนั่งหับตานี้มันมีปัญญายิ่งกว่านี่อีกนี่มเมื่อเราปฏิบัติจิตขนาหนึ่งถ้าเราจิ ด, ดวดู้ดวู้วถึงมันแล้วก็ไม่ดูตาหลับตามันก็เสมอกันอย่างนั้นก็มนไม่มีอะไรจะแตกอย่ามตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนมันก็เสมอของมันอยู่อย่างนั้นอารมณ์นี่มันอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรของมัหน so yeah. ึ่งทุกเกิดก็มั้งก็ไปเนี่ยเนี่ยก็หายไปเลทุกเกิดก็มั้งแน่กันเนี่ยอยากคิดเกิดกมั้นี่เนี่ยแต่ก็อยู่ถึงกันอันนี้มันแน่ที่อยากคิดมันจะคิดเขามีคิดอารมณ์ไม่ได้นั่งมันอยากคิดเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนมันอยากบวชตอนนี้มันอยากไปคึกเน่เนี่ยมันก็ทิ้ง อันนี้มันแน่แน่แ น, แน่แน่เข้าไปด้วยมันไม่เห็นหนี่มืดมันมืดเดียวคนคนคนโกหกโกหกเรื่อยไปเสียเวลาอย่างนั้นเสียเวลาอย่างนี้มันว่างของมันไปเดีวเมื่อมันถึกไปมันไม่เสียเวลาเลยมันไม่ได้คิด ฝึกไปทำสวนฝึไปทำทัวร์ไปเลี้ยงหมูมีเสียเวลาดูฝึกไปเลี้ยงงัวเลี้ยงแกะเนี่ยนั่นก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีอะไรไหมอีกไหม บุรุษเป็นไงบุรุษเคมีอะไรไเหรอเนะคยเคยมีเนี่ยเคยมีอะไรโอปโนโอนโนหรอครับเรื่องความทุกข์มันผมเห็ว่ามันเป็นสิงที่เห็ น, <อ> น, นยา ก, กเย<อ>าใช่า้มันเป็นสิ่งที่เรามามมันเา ถ้ามันเป็นของไม่สบายทำไมถ้ามันเป็นอารมณ์บายใจก็ทิมันเองไม่เสียงก็ได้ถ้ามเป็นอามไม่สบายใจก็ไม่ไเอ่ามันโมหะเป็นมูลรากฐานมากกว่ามั้งไอทีมันไม่ชอบมันอะมันเป็นง่ายมันเห็นในยากทีมันชอบมันเห็นในง่ายง่ายเด้อ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 ไอ้ความเป็นจริงมันเท่ากันมันเท่ากันพี่จะนาไปซึ้งต่อกับทุกข์กับทุกข์นี่เท่ากันเลยถ้ามีจาตาช่างเอาไปช่างันก็เท่ากันแต่เราเข้าข้างทุกข์มากกว่าต่นนั้นนี่ยมันเลยเป็นของยากไอ้ความเป็นจริงไอ้ความไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันไปความทุกข์มันน่ายากเหอ ความสูกมันละง่ายๆเลยไอ้สิ่งที่เราชอบมันละง่ายสิ่งที่เราไม่ชอบทำไมมันละยากทำไมันไม่ดีทำไมมันละมันยากไม่ใช่อย่างนั้นคิดใหม่เข้ากันเลยแค่เราไปเข้าข้างมันเฉยๆเราคือคือคือทุกข์คือมันลาคานใจอยากให้มันออกรู้มันมันมันยาก สุกนี่มันพอทุเราเะหน่อยก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกันมันก็เลยว่าสุกมันละง่ายไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ดีพอใจเราไอ้ทุกอย่างมันดีพอใจเราเฉยๆเรออกาตัวนึกว่ามันมีราคามากความเป็จริงแล้วมันเท่ากันอืมันเท่ากันเหมือนกับความร้อนกับความเย็นนั่นแหละร้อนอย่างไฟเผาเราตายก็ได้ แข็งเย็นเหมือนน้ำแข็งนี่เราทุกข์กันไปมันก็เหมือนกันตายเหมือนกันไม่มีอะไรมากกว่ากันนะสุขทุกข์นี่สุขมันในปนจศกต่ว่าความคิดเรานี่ะไอ้สุขนี้เราละง่ายๆไม่ไม่ง่ายเหมือนกันแต่มันไม่ดีพอใจเราอืเราชอบมันอยู่แล้วมันไม่ดีพอใจเราทุกข์มันดีพอใจเรามันเห็นง่ายละยาก ในยากความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันอเหมือนกันกับเหมือนกันกับเขานินทากับฉันกรเสริญนี่แหละอ่าอุปนวายฉนเสริญมันจะละง่ายกว่าแล้วมื่อนินทาทาไมมันละยากอย่างเนี้เอออย่างนี้ไอความเป็นจริงนั่นมันไม่ใช่ของเล่นมันเท่ากันนะ คืออ่าไอ้ฉันเถื่อนนั้นมันก็ค่อยไม่มีอะไรนะถ้าเขาเนินคาแต่แมมันไม่ชอบนะตัวนึกว่ามันละยากนะในความชอบใจแต่มันก็ละยากเหมือนกันแต่เราไปเข้าข้างมันจะห้าสิบเอร์เซ็นต์นะมันเป็นอย่างนี้ถ้าว่าเขาฉันเถื่อนแหหัวแหมันไม่เคยทูกข์อะไร่ะถ้าเขามีนทาเฮ้ไม่ค่อยสบายเลยเนี่ยมันก็เท่ากันนั่นแหละ มาถูกอาการจิตของเรามันมาสัมผัสกันู้ไหมมันมากน้อยก็กันจริงก็เราเข้าข้างมันแล้ว เ, เข้าข้างันงยังหลายอยู่ด้วยกัโนเอออหละให้ให้เข้าใจเท่ากการภาวนานี้ก็ีกว่าเราอ่ามันต้องมีทุกอย่างอะไร อังกฤษเนะี่ยมีทุกอย่างแต่ว่าเรายอมรับมันเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นมาเลยเว่าสิ่งนี้มันก็สุขหรือทุกข์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ของเราจะละทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าสุขประปารธนาทุกข์ประปารธนามันก็มีราคาเท่ากันมันก็ต้องมีมาอย่างนี้อืมเป็นของปรารธนาของคนในโลกคือสุขทุกข์เป็นของไม่ควปรปารธนา ท่านิพานคือไม่มีปรารถนาเข้าใจไหมท่านนิพานไม่มีปรารถนาอยากได้สุขอยากได้ทุกข์อยากคนสุขอยากคนทุกข์ไม่มีสงบคือสงบแต่ก็ผมว่าการที่จะรู้จริงๆนั่นน่ะมันก็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 มันจะมีความสงสัยความสงสัยจะเกิดแข้งไปเพราะการปฏิบัติของเราไม่หยุดพระพุทธเจ้าสั่งพระ อ, อนนโมทนาโนนทำให้มากปฏิบัติให้มากทำให้มากจเจริญให้มากเนี่ยเท่าเนี้ไ อ, อความเพียรพ้เกิดขึ้นมามันจะหายความสงสัยทุกอย่างเพราะการกระทำนี้ การกระทานี้เนี่ยมันจะบอกมันจะสอนเราผิดถูกทั้งหมดจริงๆแล้วอันนี้ อ, อันนี้มันจะรู้จักผิดมันจะรู้จักตรงนั่นแหละความให้ความเคลือบแคลงสงสัยของความทั้งหลายเรานั่นจะกหยแท่งไปได้ เพราะการทำเพียนไม่หยุดนี่เพราะการกระทำของเราไปทีไหนก็ช่างมาเถอะมันจะมาลงลงลงเอื้อที่การกระทำของเราไม่หยุดแต่ว่าเราทนมันไม่ไหวมันพุกหลายก็เลยอืมมันทนมันไม่ไหวถ้าเราทนมันไหวๆแล้วมันก็มันดูในการกระทำของเรามันจะบอกเองนี่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 นาอรัญโยโงนะอรัญยโงก็ต้องวิ่งขับเนี่ยวิ่งไปได้เนื้าโน้นสบายก็วิ่งไปไล้ก็วิ่งกลับไปอีกแล้วสบายเดี๋ยวนี้กาลังจะเดือดร้อนอีกแล้วเดี๋ยวนี้จะกาลังจะเดือดร้อนอีกแล้ว เป็นจุดเขาแล้วมันเป็นของตัวไปบ้านอะวางให้ดีอดให้ดีเดี๋ยวนี้มันชอบคิดขึ้นมาแล้ว